อะไรคือโล ก, กธรรมแปดโล ก, กธรรมแปดคือสภาวะธรรมที่มีอยู่ในโลกนี้ที่ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้จะต้องสัมผัสจะต้องพบปะโล ก, กธรรมแปดนี้เป็นสภาวะธรรมที่มาเป็นคู่ มีอยู่สี่คู่ด้วยกันสี่คูณสองก็เป็นแปดคู่ที่หนึ่งเรียกว่าราบคู่ที่สองเรียกว่ายศคู่ที่สามเรียกว่าฉันรัศเสนคู่ที่สี่เรียกว่าสุขพูดง่ายๆก็คือราบยศจันรัศเสนสุข มีอยู่ในโลกนี้ที่พวกเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องพบกันส่วนใหญ่เราชอบคบส่วนที่เจริญแต่สภาวธรรมทั้งสีน่นี้นอกจากเจริญแล้วก็มีเสื่อมมีการเจริญลาบก็มีการเสื่อมลาบเป็นธรรมดา มีการเจริญยศก็มีการเสื่อมยศเป็นธรรมดามีการเจริญสรรเสริญก็มีการเจริญนินทาเป็นเป็นการเสื่อมเสื่อมคำสรรเสริญคือเปลี่ยนเป็นสรรเสริญมาเป็นนินทามีสุขมีเจริญในสุขก็มีเสื่อมในสุข เวลาเสื่อมในสุขก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนพบกันแต่พวกเรานี่ชอบแต่ส่วนที่เจริญไม่ชอบส่วนที่เสื่อมก็เลยเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะว่าเวลาที่เราเจะส่วนที่เสื่อม เราก็เลยเดือดร้อนกันวุ่นวายใจกันไม่สบายใจกันเหตุที่ทำให้พวกเราวุ่นใจทำให้พวกเราทุกข์ใจกันเวลาที่เราเจอการเสื่อมของราบยุศสรรเสริญสุขก็เพราะเราโง่กันนั่นเอง ไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ที่ไม่รู้ธรรมชาติของลาบยศสละเสริญสุขว่ามีการเจริญและต้องมีการเสรื่อมเป็นของคู่กันเหมือนสามีภรรยาเป็นของคู่กันฉันใด ถ้าใครไปหาราบไปได้ลาบมาก็จะต้องเจอการเสื่อมของรากไม่ช้าก็เร็วไปได้ยศมาไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสื่อมไปได้สรรเสริญมาไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสื่อมไปไปได้สุขมาก็จะเสื่อมไป เพราะนี้เป็นธรรมชาติของสภาวธรรมในโลกนี้ท่านผู้รู้ท่านเห็นธรรมชาติเหล่านี้ว่าเป็นตายรักนั่นเองเห็นว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่เหมือนเดิมตลอดเวลามีได้แล้วเดี๋ยวก็ต้องมีเสีย หรืออาจจะมีเสียแล้วก็มีได้ขึ้นมาใหม่สลับกันไปผัดกันรับผัดกันรุกวันนี้ได้เพิ่งนี้เสียเริ่งนี้ได้ใหม่มาเลิญ น, นี้เสียใหม่สลับกันไปเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาของโลกไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นอนิจจังทั้งนั้น ดินฟ้ า, าการนี่ก็เป็นอนิจจ์เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกอเป็นอนัตตาแปลว่าไปควบคุมบังคับไม่ได้ไปสั่งให้เจริญอย่างเดียวไม่ได้ไปห้ามไม่ให้เสื่อมไม่ไดม้มันไม่ได้อยู่ในวิสัยของจิตใจของพวกเราที่จะไปควบคุมบังคับ สภาวะธรรมเหล่านี้ได้เพราะคำว่าสภาวะธรรมก็คือธรรมชาตินี่เองแปบลบว่าของที่เป็นธรรมชาติเป็นของธรรมชาติของที่ผลิตโดยธรรมชาติหรือของที่มนุษย์ผลิตก็ก็เป็นสภาวะธรรมเหมือนกันเช่นสินค้าต่างๆเวลาออกมาใหม่ๆ ก็ใช้งานได้ดิบได้ดีแต่พอใช้ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็เสื่อมคุณภาพเคยใช้ได้ก็เริ่มใช้ไม่ได้เช่นรถยนต์เวลาซื้อมาใหม่ๆพอขึ้นรถ้าต้านรถก็วิ่งไปไหนมาไหนได้แต่ต่อมาจะเริ่มเกิดการเสื่อมขึ้นมา พอขึ้นสตาร์ทรถอา่าสตาร์ทไม่ติดแต่แล้วเป็นอะไรวะแบตหมดนะไดชาร์จไม่ทำงานนะาสายไฟถูกหนูกัดหรือเปล่ า, านี่เรียกว่าเสื่อมเรียกว่าไม่เที่ยงไม่เหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอย่างนี้เป็นอันนี้จัง มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีขึ้นมีลงมีเจริญมีเสื่อมมีเกิดมีดับถ้าไปอยากให้มันไม่เสื่อมอยากจะให้มันเจริญอย่างเดียวพอมันไม่เจริญมันเสื่อมก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเกิดความผิดหวังอยากให้มันเจริญแต่มันไม่เจริญ อยากได้เงินแต่ไม่ได้เงินเมื่อวานนี้ไม่หวยออกคนที่ไม่ได้ก็เสียใจคนที่ได้ก็ดีใจดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเพราะเดี๋ยวได้มาก็ใช้หมดหมดแลที่นี้ก็เดือดร้อนอีกแล้วไม่มีเงินใช้ก็เดือดร้อนอีกแล้วทุกข์อีกแล้ว ดีใจไม่กี่วันเดี๋ยวพอเงินหมดก็ทุก เ, เงินก็คือลาบเวลาได้เงินมาถูกหวยมาก็จะริอนลาบพอเอาไปใช้กินนู่นกินนี่ซื้อนั่นซื้อนี่หมดไปทีนี้จะกินจะซื้ออะไรกินว่า ม, มีซื้อไม่ได้แล้วทีนี้ก็ทุกข์อีกแล้วเพราะลาบมันเสื่อมไปมันหมดไป เงินหมดเรียกว่าเสื่อมลาบก็เลยต้องหาลาบกันใหม่แต่ไม่ใช่ลาบหมูลาบอันนี้ลาบเงินทองนะเพราะเงินทองนี้เป็นเหมือนแก้วสารพัดนึกอยากจะได้อะไรนี่เงินทองนี้มักจะในระมิดขึ้นมาได้แม้แต่ยศบางทีก็ยังสามารถในระมิดขึ้นมาได้ อยากได้ยศเดี๋ยวก็จ่ายเงินสัหน่อยเดี๋ยวยศก็มาเองอยากได้สรรเสริญเอาเงินไปทําอะไรเดี๋ยวก็มีสรรเสริญมีมีตาตั้งมาให้มีใบประกาศเกียรติคุณมีการสรรเสริญเยินยอยกย่องว่าเป็นผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่สังคม เห็นไหมตอนนี้พี่บินนี่กำลังคนยกย่องสรรเสริญเนีพยขาหาเงินมาช่วยเหลือเดี๋ยวถ้าเกิดมีปัญหาทางด้านการเงินเดี๋ยวพี่บินก็โดนด่าอันนี้ถูกสรรเสริญเดี๋ยวถ้าเกิดใครเขาไปสมมุติว่าไปเห็นหรือไปกั่นแกล้งว่า เงินที่ได้มานี่เอาไปใช้ในทางที่ไม่ชอบเนี่ยสรรเสริญก็กลายเป็นนินทาขึ้นมาปต่โซเชียลอันไหนก็มีแต่ด่าอย่างเดียว น, น, นี่คือเป็นเรื่องของธรรมชาติของโลกนี้ถ้าไปสัมผัสถ้าไปเกี่ยวข้องกับลาบยศสรรเสริญสุขแล้ว ก็ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องพบกับความทุกข์เวลาที่ลาบยศสารเสริญสุขมันเสื่อมหรือมันเปลี่ยนไป เ, เงินหมดยศถูกถูกถูกลดตำแหน่งถูกถูกตัดถูกถอดถอนมีใครเป็นใหญ่เป็นตัววันดีคนดีก็ถูกถอดถอ น, อคอนในนครเป็นเชื้อ กลายมเป็นสามัญชนก็มีอันนี้ก็เอานี้พูดความจริงนะมันมีนอยู่ในโลกไม่ใช่อยู่ในโรงละครนะละครนี่เป็นเพียงแต่สะท้อนภาพความเป็นจริงของสังคมที่เราเรียกว่าละครน้ำเน่าเนี่ยราบยศสรเสรญสุขนี่แหละคือตัวน้ำเน่าเลย แต่พวกเราแทนที่จะบังเกีิดมันกับชอบมันชอบชอบกินน้ำเน่ากันกินน้ำเน่าแล้วรู้สึกว่ามันมันดีนี่คือทุกทุกเพราะอะไรทุกไปอยากให้มันไม่เสื่อมทุกไปอยากให้มันเป็นของเราอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราตลอดเวลา เคยเป็นใหญ่ก็อยากจะเป็นใหญ่ไปเรื่อ ย, อยก็ดูนายกมาเปลี่ยนมากี่คนแล้วเนี่ยอันนี้ก็เปลี่ยนยศใช่ไหมคนนี้ขึ้นเดี๋ยวคนนี้ก็ลงแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินก็ยังมีการเปลี่ยนใช่คนนี้ลงคนนี้คนใหม่ก็ขึ้นมาเดี๋ยวคนใหม่ที่ขึ้นมาเดี๋ยวก็ต้องลงเดี๋ยวก็มีคนตามที่จะขึ้นมาต่อไปอ แต่ทำไมไม่ไม่เห็นกันไม่เห็นทุกข์ที่จะเกิดเวลาที่มันหมดกันมีแต่อยากจะได้กันอยากได้ลาบกันอยากได้ยศกันอยากได้ให้คนสรรเสริญยกย่องอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันอยากได้ความสุขจากคนนั้นคนนี้อยากได้ความสุขจาก สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่นั้นที่นี่เนียังมีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะไปหมดที่ไปหาความสุขกันแต่ไม่คิดว่าเที่ยวกี่วันกี่คืนเดี๋ยวมันก็ต้องเลิกมันก็ต้องหยุดเที่ยวถึงแม้จะมีเงินเที่ยวแต่มันก็เบื่อได้การเบื่อเที่ยวมันก็เป็นความไม่เที่ยงอีกอย่างที่ไหนไม่เคยไปก็อยากไป พอไปอยู่สักพักแล้วก็เบื่อไม่อยากอยู่แล้วพอต้องอยู่ก็ทุกข์เนี่ยนี่คือโลกธรรมแปดทุกคนที่ทุกคนเกิดมาแล้วชอบมาหามันเพื่อให้ความสุขกับตนเนี่ยพอเวลามันจเจริญ น, นี่มันมีความสุขกันใช่ไหม เวลาถูกกอตะอรี่เนี่ยดีใจกันส่วนคนที่ไม่ถูกก็เสียใจกันไปเวลาที่เลื่อนยศเนี่ยเดือนตุลานี่เป็นช่วงที่เขามีการเลื่อนยศกันพอขายเดอนเลยยศก็ดีใจตอนนี้กำลังเลี้ยงฉลองกันใหญ่โลกที่ไม่ได้ก็เสียใจ ด้วยพวกที่ถูกปวดก็เสียใจกระเสี ย, สยนอายุก็ต้องถูกปวดใช่ไหมอายุหกสิบจะเป็นใหญ่ยังไงเขาก็ไม่ให้เป็นต่อแล้วทุกอย่างในโลกนี้เป็นอย่างนี้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปแตะมันมันเป็นเหมือนงูพิษเนี่ยอย่าไปเล่นกับงูพิษเดี๋ยวถูกงูพิษกัดแล้วจะ ปวดล้าไปทั่วสะพางใจคนที่ฉลาดจะไม่ไปยุ่งกับลาบยศสารเสริญสุขคนที่ฉลาดก็คือพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกนี่เพราะท่านมีปัญญาท่านมีความฉลาดท่านรู้ว่ามันเป็นเหมือนงูพิษหรือเป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเนี ปลาที่ฉลาดนี่จะไม่ไปหุบเหยื่อเมื่อไม่ไปหุบเหยื่อก็จะไม่ถูกเบ็ดเกี่ยวปากถูกลากจับขึ้นไปในหม้อใส่ไปในหม้อแกงพวกปลาที่ไม่ฉลาดเห็นเหยื่อก็คิดว่าอาหารนันโอชาพอไปหุบเข้าไปปั๊บก็ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากนี่ลาบยศสารเสริญสุขนี้ก็เป็นแบบนั้นเป็นเหมือน เยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดไม่ใช่เหยื่อที่ไม่มีเบ็ดไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่มีทุกติดมาด้วยไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาติดมาด้วยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเจอทุกขงังเพราะสิ่งที่ได้มามันจะเปลี่ยนไป หรือมันจะหมดไปแล้วก็ไปห้ามมันไม่ได้จะไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนขอให้สิ่งที่ได้มานี้ออดีไปอย่าเปลี่ยนนะอย่าเป็นอะไรไปนะอย่าจากไปนะออขอไม่ได้หรอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ไม่ได้ออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ก็คือความรู้ ถ้าไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็บอกว่าเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนนะเอเดี๋ยวมันจะต้องหมดนะเอถ้าไม่อยากทุกข์ก็อย่าไปยึดไปติดมันนะเอมีได้แต่ต้องพร้อมที่จะเสียเออถ้าพร้อมที่จะเสียเวลาเสียก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้ามีแล้วไม่ยอมเสียนี่เวลามันไปนี่เสียใจนะจะทุกข์นะ อันนี้จังทำให้ทุกข์ของที่ได้มาแล้วพอมันไปมันเป็นอนนี้จังมันไปก็เลยทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาทุกข์เพราะความอยากให้มันไม่ไปทุกข์เพราะความอยากไม่ให้มันหมดแต่ถ้ารู้ก่อนว่าเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนนะเดี๋ยวมันต้องไปนะเอเราอย่าไปอยากให้มันไม่เปลี่ยนอย่าไปอยากให้มันไม่ไปเอ มันจะไปก็ยินดีให้ไปมันจะเปลี่ยนก็ยินดีให้เปลี่ยนอย่างนี้ก็จะไม่ทุกข์เนี่ยพราะรู้ว่าไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้เพราะเขาเป็นอนัตตาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศพวกเราไม่ค่อยทุกกับดินฟ้าอากาศใช่ไหมเพราะอะไร เพราเรารู้ว่าเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้แดดจะออกเราก็รู้ว่าไปห้ามมันไม่ได้ฝนจะตกก็รู้ว่าไปห้ามมันไม่ได้อากาศจะหนาวก็รู้ว่าไปห้ามมันไม่ได้เราเลยไม่ทุกข์กับมันเพราะเราพร้อมที่จะให้มันเปลี่ยนพร้อมที่จะให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันเดี๋ยวก็อากาศหนาวเราก็ให้มันหนาวไป เดี๋ยวพอหายหนาวเราก็ให้มันหายหนาวไปถ้าเรามองลาบยศสรรเสริญสุขเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศได้เราก็จะไม่ทุกข์กับลาบยศสารเสริญสุขเเวลามาเราก็ให้มันมาเวลามันไปเราก็ให้มันไปถ้าอ่างนั้นเวลาเงินมาก็มาก็ดีไปก็ดีต้องเท่ากันใจต้องเออ่ ยินดียิน้ายเท่ากันไม่ยินดีไม่ยิน้ายมาก็ดีไปก็ดียศจะเจริญก็ดีได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ดีถูกวดก็ดีดีทั้งนั้นนี่คือการศึกษาโลกธรรมแปดเพื่อให้รู้ว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงและเราไปสั่งเขาไม่ได้ เขาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศถ้าเราปฏิบัติราบกับลาบยศสลรเสรินสุขเหมือนกับที่เราปฏิบัติกับดินฟ้าอากาศเราจะสบายเราจะไม่ค่อยทุกข์ดินฟ้าอากาศนี้เราไม่ค่อยทุกข์กับมันเพราะเรารู้ว่าเราไปจัดการไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้สั่งวันนี้เอาอุณหภูมิยี่สิบ ไม่เหมือนเครื่องปรับอากาศในห้องนี้สั่งได้ไปตั้งได้วันนี้จะเอายี่สิบหรือเอาสิบห้ารือยี่บห้าแล้วแต่สามารถสั่งได้แต่บางทีก็สั่งไม่ได้แม้แต่เครื่องปรับอากาศก็สั่งไม่ได้เดี๋ยวมันเสียนะทำยังไงเสียไปปรับไงไม่สั่งย ง, งไงมันก็ไม่ทำตามหน้าที่ของมันหรือไฟดับนี้ไปสั่งให้มันหมุนมันก็ไม่หมุนนะ สั่งให้มันทำงานมันก็ไม่ทำงานเราควรจะมองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ว่าเป็นเหมือนเดินน้าลมไฟเป็นธรรมชาติไม่ใช่เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราแล้วเราจะได้อยู่อย่างสบายไม่ต้องมากังวนกังวายกระสับกระสาย เวลาไม่ได้ก็กระวนกระวายกระสับกระสายว่าจะได้หรือยังเมื่อไหร่จะได้พอได้มาก็กระวนกระวายกระสับกระสายว่าเมื่อไหร่มันจะอยู่กับเมื่อไหร่จะไปจากเราจะอยู่กับเราไปได้นานสักเท่าไหร่เมันมีเรื่องให้กระวนกระวายถ้าไปมีความอยากกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ถ้าไม่อยากจะมีความกระวนกระวายกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ ต้องพยายามฝึกใจให้รู้จักปล่อยวางให้ใจเป็นอุเบกขาใจเฉยเฉยไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าปรับใจให้เป็นอุเบกขาได้ก็จะปล่อยวางได้ ไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่มีก็ไม่ก็ไม่อยากได้มีก็ไม่อยากให้มันหายไปมันอยู่ก็อยู่มันไม่อยู่ก็ไม่อยู่ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเหมือนกับเราปล่อยให้ดินฟ้าอากาศเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเราก็ปล่อยให้ราบยสะะสศสรเสนสุ เป็นไปตามธรรมชาติของเขาเขาจะเจริญก็ปล่อยเขาเจริญไปเขาจะเสื่อมก็ปล่อยเขาเสื่อมไปแต่ใจเรานี้จะเฉยๆกับการเจริญกับการเสื่อมของราบยศสะลรเสริญสุขใจของเราก็จะเป็นเหมือนกับหยดน้ำนบนใบบัวจะไม่ไปดูดเข้าหากัน ใบบัวกับน้ำนี่มันไม่ดูดแต่ถ้าเป็นน้ำกับกระดาษซับมันจะดูดเข้าหากันเป็นเนื้ออันเดียวกันใจของผู้ที่ได้ฝึกสมาธิจนเป็นอุเบคาและได้รับการอบรมสั่งสอนให้มีปัญญาให้เห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเรา ใจก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้อยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ได้ปล่อยวางแบบว่าต้องหนีก็ไปอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำอยู่ในรูคนเดียวไม่รับรู้กับราบยศสารเสริญเลยไม่ใช่อยู่ตามธรรมดาเหมือนเมื่อก่อนนี้ยังรับรู้กับยังสัมผัสรับรู้กับราบยศสารเสริญสุขเยี่ยว แม้แต่พระพุทธเจ้าพระหลานท่านก็ยังสัมผัสรับรู้กับลาบยศสารเสนสุขอยู่เวลามีคนมาถวายปัจจัยท่านก็รับรู้รับทราบ พ, พอเอาไปใช้ประโยชน์ทำบุญก็รับรู้รับทราบว่าเอาไปไม่ได้ดีใจกับการได้มาไม่ได้เสียใจไปกับการเสียไปใครจะแต่งตั้งให้เป็นนู่นเป็นนี่ ก็รับรู้ไปไม่ได้ดีใจเวลาเขาไม่แต่งตั้งก็ไม่เสียใจความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายก็สัมผัสรับรู้บางวันก็สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นสุขเวทนาก็รับรู้ไปบางทีก็สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นทุกข์เวทนาก็รับรู้ไป ไม่ได้ดีใจไปกับสุขเวทนาหรือไม่ได้เสียใจไปกับทุกขเวทนาถือเป็นเรื่องธรรมดาของโลกเป็นเหมือนดินน้ำลมไฟเป็นเหมือนฝนตกแดดออกถ้าถ้ายังทำใจไม่ได้ยังมีความล้กชังกลัวหลงอยู่ก็ต้องไปปรับใจเพราะใจเราปรับได้ แต่เราไปปรับราบยศสารเสินสุขไม่ได้ปรับได้บางเวลาจริงอยู่ไม่ใช่ว่าราบยศสรเสินสุขจะปรับไม่ได้ก็ปรับได้เหมือนกันแต่เวลาบางเวลามันปรับไม่ได้เช่นตอนนี้เราอาจจะปรับเพิ่มไรายได้ได้ตอนนี้เงินเดือนแค่นี้ไม่พอใช้เอาก็ไปหางานพิเศษมาเพิ่มมาทำมันก็ปรับเพิ่มไรายได้ขึ้นมาได้ แต่บางเวลาตับแล้วมันไม่ขึ้นก็มีไปทำงานพิเศษแทนที่จะมีรายได้กับขาดทุนไปลงทุนทำอะไรพิเศษคิดว่าจะได้นีเวลาไปลงทุนมันก็มีปัจจัยเสี่ยงมีความไม่แน่นอนคิดว่าจะได้กับไม่ได้บริษัทที่ไปร่วมลงทุนด้วยมันเจ๊งแลือขาดทุนก็ไม่มีเงินปันผลให้ น, นี้มันก็เป็นเรื่องที่บางทีเราก็ปรับได้บางทีเราก็ปรับไม่ได้ทางที่ดีก็คือไปสรุปว่ามันปรับไม่ได้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันมาหัดทาใจดีกว่ามาปรับใจเราดีกว่าว่าใจเรานี้ปรับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ปรับได้แล้วจะทำให้ใจเราจะไม่ทุกข์กับอะไรทำให้ใจเรามีความสุข ถ้าเรารู้จักปรับใจให้เป็นอุเบกขาใจเราจะมีความสุขมากกว่าการไปปรับราบยศสารเสญให้เป็นไปตามความอยากของเราความ ส, สุขที่เราได้จากการไปปรับราบยศสารเสญสุขให้มาให้ความสุขกับเรานี้สู้ความสุขที่จะได้จากการมาปรับใจของเราไม่ได้ปรับใจของเราให้เป็นอุเบกขาแล้วสอนใจของเราให้ฉลาด ให้เห็นตายลักให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในโลกธรรมแปดในสภาวะธรรมที่มีอยู่ในโลกนี้สภาวะธรรมทั้งหลายก็สรุปรวมเข้าไปในโลกธรรมแปดนี่แหละไม่ว่าจะเป็นคนเป็นอะไรนี่ก็อยู่ในโลกธรรมแปดคนที่เขาให้ความสุขกับเราเขาให้ความสุขกับเราผ่านทางไหน ก็ผ่านทางตาห уса, ูจมูกร่างกายของเรานงใช่ไหมเวลาเราเห็นคนที่เรารักเราชอบก็เกิดความสุขขึ้นมาเวลาได้ยินเสียงคนที่เรารักเราชอบก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่เวลาที่รูปของคนที่เรารักเราชอบหายไปเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาเสียงของคนที่รักเราชอบหายไปก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา อันนี้คือโลกกะระทำแปดสรุปแล้วก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจมาพบในโลกนี้พบผ่านทางตาหูจมูกจมูกรินกายนี่เองไม่ได้ผ่านทางไหนหรอกผ่านทางตาหูจมูกลินกายราบก็ต้องผ่านทางตาหูจมูกลินกายต้องมีตาเห็นเงนินเห็นเงนินมี ด้วยได้ยินเสียงเสียงคนเอาเงินมาใส่ในมือเอมาหรือว่าเราสัมผัสด้วยมือของเรากับเงินนี่มันก็มาทางตาหูจมูกริ้นไกน่นี่มาทางรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพอรูปของเงินรูปของยศรูปของตําแหน่งต่างๆนี่คือโลกธรรมแปดที่ ทำให้เราทุกข์ก็ได้ทําให้เราไม่ทุกข์ก็ได้อยู่ที่เรารู้จักวิธีปฏิบัติกับมันหรือไม่เหมือนกับงูพิษเนี่ยงูพิษมันจะกัดเราก็ได้มันไม่กัดเราก็ได้อยู่ที่เรารู้จักวิธีปฏิบัติกับงูพิษหรือไม่ถ้าเรารู้ว่ามันจะกัดเราเราถ้าเราจะต้องเกี่ยวข้องกับมันเราก็เอาไม้ เกี่ยวข้องมันอย่าให้มันเข้ามาใกล้ตัวเราใช่ไม้เกี่ยวข้องกับมันคนจับงูก็ไม่เอามือเปล่าไปจับหรอกะเอาไม้เอาเชือกไปรัดคอมันถึงจะค่อยจับตัวมันได้คนที่ฉลาดก็เหมือนกันคนที่ฉลาดถ้ายังต้องเกี่ยวเกี่ยวข้องกับลาบยศสระเสริญเกี่ยวข้องกับโลกธรรมแปดอยู่ ก็ต้องมีเครื่องมือที่จะไปเกี่ยวข้องเครื่องมือที่จะเกี่ยวข้องก็คือสมาธิปัญญานี่หรือสติปัญญานี่ต้องมีสติคอยควบคุมใจให้เป็นอุเบกขาให้วางเฉยแล้วก็คอยสอนใจด้วยปัญญาว่าอย่าไปอยากได้มันหรืออย่าไปอยากไม่ได้มัน มันมาอย่างไงก็เพียงแต่รับรู้มันไปอออย่าไปยึดอย่าไปติดให้รู้ว่ามันมาเพื่อจากเราไปมันไม่ได้มาเพื่ออยู่กับเรามันมาเพื่อมาสร้างความทุกข์ให้กับเราให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับเขาะ ยุ่งเกี่ยวก็เพียงแต่เท่าที่จำเป็นรับรู้กันไปเวลาได้เงินทองมาก็รับรู้ไปแต่ไม่ดีใจโอ้เดี๋ยวจะเอาเงินไปซื้อนู่นซื้อนี่ไปทำนู่นทำนี่เนี่เพราะถ้าลองไปใช้มันแล้วเดี๋ยวมันหมดเดี๋ยวมันไม่พอใช้ก็จะเดือดร้อนถ้าไม่ต้องใช้มันจะดีกว่าวิธีที่ไม่ต้องใช้ลาบยศสารเสริญสุขก็คือนี่แหละ ทำใจให้เป็นอุเบกขาแล้วจะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอยู่ในใจของเราเองพอเราได้ความสุขที่ดีกว่าลาบยศสารเสินสุขเราก็ไม่ต้องไปหาลาบยศสารเสินสุขเพราะถ้าไปหาลาบยศสารเสินสุขมันจะได้ทั้งสุขและจะได้ทั้งทุกข์ตามมาต่อไป คนฉลาดจึงเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันไม่หาความสุขจากลาบยศสรรเสริญเหมือนปลาที่ฉลาดปลาจะไม่ไปฮุบเหยื่อที่มีเบ็ดติดอยู่ที่ยมีเหยื่อติดอยู่ที่ปลายเบ็ดเพราะถ้าไปฮุบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดแล้วเดี๋ยวก็จะต้องถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากถูกจับขึ้นไปลงเม้าแกงลง ไปหาเหยื่อที่ไม่มีเบ็ดดีกว่าปลอดภัยกว่าเหยื่อที่ความสุขก็ในโลกนี้ก็เหมือนกันความสุขในโลกนี้มีทุกเป็นตะขอเบ็ดเกี่ยวไว้ใครไปฮุบราบยศสารเสริญสุขแล้วจะต้องเจอกับความทุกข์ตามมาต่อไปจะต้องทุกข์กับก้าวของทุกข์กับราบทุกข์กับยศทุกข์กับสรรเสริญทุกข์กับความสุขเวลามันเสื่อมไปนะ เวลามันหายไปเวลามันหมดไปสู้ไปหาความสุขแบบไม่มีวันเสื่อมดีกว่าความสุขที่จะไม่วันเสื่อมก็คือความสุขใจนี้ความสุขใจที่เกิดจากความสงบใจจะสงบนี้ก็มีอยู่สองระดับสงบแบบชั่วคราวและสงบแบบถาวม สงบแบบชั่วคราวก็คือสงบด้วยสติฝึกสติเช่นบาิีกรรมพุทโธพุทโธควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้พอใจหยุดคิดใจนิง่งแล้วใจก็จะสงบเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นอุเบกขาขึ้นมาพอใจสงบเป็นอุเบกขาก็จะเกิดความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง นัตติสันติปรังสุขขังเนี่ยอันนี้เป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าเองพูดนัตติสันติปรังสุขขังแปลว่าสุขเอื่นเหนือกว่าความสงบไม่มีสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีสุขทั้งหลายเช่นลาบยศสรรเสริญความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรส สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ถ้าเรามาฝึกสมาธิกันพอเราได้ความสุขจากอุเบกขาจากความสงบแล้วเราก็จะเลิกหาความสุขจากลาบยศสรรเสรินได้เพราะเราได้ความสุขที่ดีกว่าอย่างที่เคยเปรียบเทียบอยู่เรื่อยๆถ้าไ ด, ได้บ้านใหม่ที่ดีกว่าบ้านเก่าเราจะไปอยู่บ้านเก่าไหม ถ้ามีคนมาสร้างบ้านใหม่ให้เราดีกว่า บ, บ้านเก่าเราสิบเท่าร้อยเท่านีเรายังอยากจะอยู่บ้านเก่าหรือเปล่าไม่อยู่แล้วบ้านเก่ายกให้คนอื่นก็ได้เหมือนคนที่ได้แฟนใหม่ใช่ไถ้าได้แฟนใหม่ดีกว่าแฟนเก่านี้แฟนเก่านี้ยกให้คนอื่นไปได้ใครอยากจะได้เอาไปเลยได้แฟนใหม่ที่ดีกว่าแฟนเก่าแต่ถ้าเวลายังไม่ได้แฟนใหม่ น, นี้ แฟนเก่ากใครอย่ามาแตะก่อนเพราะว่าถึงแม้จะเก่ามันก็ยังให้ความสุขได้บ้างดีกว่านอนคนเดียวดีกว่าอยู่คนเดียวแต่พอได้แฟนใหม่ที่ดีกว่าแฟนเก่าใครอยากจะได้แฟนเก่าเอาไปเลยยกให้เลยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าลองเราได้ความสุขแบบใหม่แบบของพระพุทธเจ้าแล้วนีย ที่นี่ความสุขแบบเก่านี้ใครอยากได้เอาไปเลยราบยศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นรสนี่ที่มีอยู่นี้ใครอยากได้เอาไปเลยเนี่ยพวกที่ได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงแล้วไม่ต้องการอะไรแล้วต้องการไปอยู่กับรถแห่งธรรมอไปอยู่คนเดียวเพราะรถแห่งธรรมนี่จะเกิดจากการที่ไปอยู่คนเดียวไม่ยุ่งไม่วุ่นวายกับใครน ถ้ายัางยุ่งยังวุ่นวายกับคนนั้นคนนี้ยังยุ่งยังวุ่นวายกับลาบยศสารเสริญสุขอยู่ความสุขที่เกิดจากความสงบมันไม่เกิดเห็นผู้ที่อยากจะสัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงคือรถของความสงบก็ต้องไปปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวมันจะลำบากช่วงนี้ช่วงที่ยังไม่ได้ความสุขใหม่แล้วต้องทิ้งความสุขเก่าไป ช่วงนี้มันจะมันจะรู้สึกทุกข์แต่ถ้ามีศรัทธามีความเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนว่าถ้าไปแล้วเดี๋ยวต้องได้ในในเบื้องต้นก็อาจจะไปแบบชั่วคราวก่อนก็ได้เผื่อไปแล้วไม่ได้ก็ยังได้กลับมาหาความสุขเก่าได้อยู่อย่างศรัทธาญาติโยมเนี่ยที่เข้าเข้าออกออ ก, ออกวัดนี้ก็แบบนี้ พออยู่บ้านเบื่อกับความสุขแบบเก่าเบื่อกับแฟนก็อา้าไปอยู่วัดสักสามวันห้าวันพอไปอยู่วัดแล้วมันยังไม่ได้ความสุขใหม่ก็คิดถึงแฟนนะกลับไปหาแฟนใหม่ยังเข้าๆออกๆ อ, อ, อยู่จนกว่าจะไปถูกแจ็คพอตถูกลางวันที่หนึ่งไปนั่งสมาธิแล้วจิตรวมเข้าสงบขึ้นมาทีนี้ไม่อยากกลับบ้านนะ อยากจะยู่วัดไปตลอดนะทีนี้ก็ยกสมบัติเข้าของเงินทองยกภูงยกแฟนที่มีอยู่นี้ให้คนอื่นไปได้เลยไม่ต้องการอะไรขอขอขออิสระภาพเท่านั้นเองขอโอกาสให้ได้อยู่คนเดียวส่วนทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีร่วมกับแฟนนี้ยกให้แฟนหมดเลยเห็นไหมพระพุทธเจ้าสราราชสมบัติให้ลูกให้แฟนไปไม่ต้องการ พระพุทธเจ้านี่ท่านมีบุญเก่าท่านเคยสัมผัสกับรสของความสงบตั้งแต่สมัยตอนที่ท่านเป็นเด็กนะตอนที่เป็นเด็กท่านมักจะมีพี่เลี้ยงคอยลุ่มล้อมคอยดูแลคอยเป็นเพื่อนคอยสร้างความสุขต่างๆให้กับพระราชกูมารกลัวพระราชกรูมารจะเหงา ต้องคอยอยู่ใกล้ๆคอยหลอกคอยลอ่ค อ, ลอคอยเล่นคอยอะไรพอวันหนึ่งมีงานในวังต้องการความช่วยเหลือของข้าราชบริพารไปทำก็เลยปล่อยให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะอยู่ตามลำพังนั่งอยู่ที่ใต้ใต้โคนไม้พอพระองค์อยู่ทรงทรงประทับอยู่ตามลำพังไม่มีคนมาห้อมล้อมมา ทำนู่นทำนี่ให้ดูให้ฟังจัดจิตที่เคยมีรูปเสียงจิตรดมาคอยดึงไว้ก็ไม่มีพอไม่มีรูปเสียงจิตรดดึงไว้จิตมันก็เข้าข้างในทันทีจิตที่มันเคยเข้าข้างในพอมันถูกถูกตัดออกจากรูปเสียงจิตรดมันก็จะหุบเข้าไปข้างในจิตของท่านก็กลายความสงบขึ้นมา เกิดความสุขที่ท่านบอกว่าไม่เคยพบมาก่อนอันนี้เป็นบุญเก่าชาติก่อนเคยฝึกสมาธิมาก่อนเคยเคยเข้าฌานได้เคยมีอุเบกขาพออยู่คนเดียวปั๊บจิตที่มันจะเข้าฌานมันก็เข้าไปได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องบังคับมันที่มันไม่เข้าเพราะว่ามันมีเรื่องอื่นคอยดึงไว้นั่นเองมีเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสคอยดึงเอาไว้ มันก็เลยไม่เข้าไปข้างในพอรูปเสียงเกิดลดหายไปมันก็เลยไม่มีอะไรที่จะเด็กมันไว้มันก็เลยเข้าไปข้างในเข้าไปหาอุเบกขาเข้าไปหาความสงบเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงเห็นความสุขอีกรูปแบบหนึ่งแม้แต่เป็นเพียงแต่ชั่วระยะชั่วสั้นๆพอเดี๋ยวไม่นานพวกบริสัทธ์บริวารก็กลับมา คอยให้ความสุขกับเจ้าชายต่อไปตอนนั้นความสุขที่ได้จากความสงบก็เลยถูกกลบไปถูกกลบด้วยรูปเสียงกลิ่นรสของข้าราชบริพานเอาดนตรีมาเล่นให้ฟังเอาขอนมมาให้กินอะไรต่างๆเหล่านี้จิตก็เลยเพลิดเพลินไปกับรูปเสียงกลิ่นรส นวันหนึ่งไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเข้าทีนี้ทำให้จิตสะดุ้งขึ้นมาแล้วสิใอ้ต่อไปถ้าเราแก่เราเจ็บเราตายนี่เราจาไม่สามารถหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดได้นะก็เลยนึกถึงความสุขที่ได้จากความสงบว่าอันนี้มันน่าจะดีกว่าเพราะอันนี้มันไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมี อะไรมาให้ความสุขให้มันเข้าข้างในเท่านั้นเองให้ไปอยู่คนเดียวอก็เลยมีความไข้คมีความไข่ปรารถนาอยากจะไปหาความสุขแบบนี้แต่ก็ยังติดอยู่ที่พระราชบิดาติดอยู่ที่เมเหสีเอแต่เมื่อทรงพิจารณาไข้ควรอยู่เรื่อยๆถึงความแก่ความเจ็บความตายพระองค์ก็ต้องตัดสินพระทัยว่า ก็ต้องตัดนั่นแหละถ้าไม่ตัดก็ไปไม่ได้ถ้าไม่ไปก็จะเดี๋ยวต่อไปก็จะต้องทุกข์เพราะต่อไปร่างกายจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะไม่สามารถที่จะมีความสุขได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนแต่ถ้าไปหาความสุขที่เกิดจากความสงบได้ก็จะมีความสุขตลอดเวลา ในที่สุดก็เลยตัดสินใจต้องออกจากวังรอจังหวะจังหวะก็มาพระมเหสีออกลูกคลอดลูกก็เลยอุทานว่าลาหุนราหุนนี่แปลว่าบวงคนที่นำข่าวมาแจ้งให้ทราบว่าพระมเหสีคลอดบุตรแล้วพระพุทธเจ้าพระเจ้าชายสิทธัตถะก็พูดว่าราหุนก็คิดว่าตั้งชื่อให้ลูก ก็เลยไปตั้งชื่อลูกชายว่าพระราหุนแต่ความจริงราหุนนี่แปลว่าบ่วงบ่วงที่จะรัดคอรัดใจของพระพุทธเจ้าไม่ให้ออกจากวังนั่นเองความหมายพระพุทธเจ้าบอกบ่วงมาแล้วถ้าไม่รีบหนีไปเดี๋ยวจะถูกบ่วงนี่รัดไม่ให้ออกไปจากวังก็เลยต้องตัดสินใจหนีออกไปจากวังในคืนนั้นไม่บอกใครเพราะบอกไม่ได้ บอกแล้วก็ต้องถูกห้ามถ้าบอกพระราชบิดารู้นี่จะสั่งทหารมาคอยกันไว้เลยไม่ให้ไปเือเพราะพระราชบิดาอยากให้อยู่ในวังเป็นวะต่อไปจะได้เป็นพระมหาจากกักรพรรดิตามที่โหรได้ทํานายเอาไว้เโหรได้ทํานายไว้ในตอนที่เกิดมาใหม่ๆเพระราชบิดาอยากจะรู้อนาคตของเจ้าชายสิทธัตถะว่าจะ เป็นอย่างไรเนี่ยก็ต้องไปหาหมอดูเนี่ยจะถามหมอดูหมอดูเขาก็ดูตามตําราของเขาดูงโง่แห่งของเด็กเห็นดวงชะตาของเด็กนี้ก็เห็นเป็นสองทางเห็นว่าถ้าอยู่เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะไปเป็นพระมาหาจาการพันแต่ถ้าไปบวชก็จะไปเป็นพระพุทธเจ้าพอพระราชบิดาได้ยินได้ฟังนี้ก็ กังวลกลัวจะไปเป็นพระพุทธเจ้าเลยต้องหาวิธีปิดทางไม่ให้ไปเป็นพระพุทธเจ้าผู้ที่จะไปเป็นนักบวชส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ที่เห็นความทุกข์ของชีวิตของตนจึงไม่อยากให้เห็นความทุกข์ของชีวิตของพระเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะจึงให้อยู่ในปราสาทสามฤ ด, ด, ดูแล้วก็ห้ามคนแก่คนเจ็บคนตายเข้าไปในวัง ไม่ต้องการให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเพราะรู้ว่าถ้าเห็นแล้วจะเกิดความทุกข์ใจแล้วจะทำให้คิดอยากจะบวชนั่นเองเลยพยายามให้มีแต่คนหนุ่มคนสาวคนสวยคนหลอ่อคนที่รูปร่างหน้าตาดีๆ ง, งามๆให้มาหลอกล่อจิตใจของเจ้าชายสิทธัตถะ ให้ติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกนิ้นไกายแต่เวลาอยู่ในวังนานๆมันก็เหมือนกับติดคุกติดตารางเลก็อยากจะออกจากคุกเหมือนกันแต่ไม่สามารถออกได้เพราะพระราชบิดาสั่งห้ามก็เลยต้องหาวิธีหนีออกไปหนีออกไปเงียบๆไม่มีใครรู้มีผู้ติดตามไปคนเดียว พอออกไปก็เลยไปเห็นความจริงของชีวิตเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายก็เลยทำให้ เ, เกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาว่าร่างกายของพม่เองต่อไปก็ต้องแก่เจ็บตายร่างกายมันเป็นอนิจจังแบบนั้นอ น, นัตตาไปห้ามมันไม่ได้ไปห้ามไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายไม่ได้ ไปเวลามันแก่มันเจ็บมันตายร่างกายก็จะไม่สามารถหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้ถ้าอยากจะหาความสุขตอนที่ร่างกายแก่ก็ต้องหาจากการทําใจให้สงบเนี่เพราะการทําใจให้สงบ น, ใใงบนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายใช้พลังใช้พลังของใจเองส่างขึ้นมาด้วยการระงับความคิดต่างๆของใจเสีย พอระงับได้แล้วใจก็จะสงบพระพุทธเจ้าก็เลยต้องตัดสินใจว่าต้องไปหาความสุขแบบนี้แล้วความสุขที่ได้สัมผัสเป็นตัวอย่างยังไม่ได้เป็นความสุขที่ถาวรยังเป็นความสุขที่เกิดเกิดดับๆอยู่ก็เลยต้องไปอยู่คนเดียวไปอยู่แบบนักบวชเพื่อที่จะได้ไปศึกษาวิธีทําให้จิตมันสงบได้ไปตลอดเวลา พอได้ทราบข่าวว่าลูกลูกออกมาก็เลยอุทานว่าราหุน่นก็เลยกลายเป็นชื่อของลูกแต่ความจริงท่านบอกว่าบ่วงเกิดขึ้นแล้วถ้าอยู่ต่อไปก็จะไม่มีวันที่จะออกไปจากวังได้เพราะความผูกพันของพ่อต่อลูกนั่นเองพ่อแม่นี่รักลูกมากมีลูกแล้วนี่ทิ้งไม่ได้ ต้องเลี้ยงดูต้องอยู่กันไปจนกว่าจะตายจากกันพอรู้ว่าถ้าต้องอยู่ไปจ้จงจากกันก็ต้องตอนที่ตายแล้วพ่อองก็เลยทรงตัดสินใจว่าต้องจากกันตอนนี้แล้วแหละจากกันด้วยการไม่ไปเห็นหน้าเห็นตากันถ้าไปเห็นหน้าตาลูกแล้วกลัวจะสู้สู้ไม่ไหวกลัวจะทนไม่ไหว ก็เลยต้องหนีไปแบบไม่มีไม่บอกให้ให้รับรู้นั่นแหละพระพุทธเจ้าของเรานมีความสุขขนาดไหนกับรูปเสียงกลิ่นรสกับลาบยศสารเสริญแต่ท่านก็เห็นปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของลาบยศสารเสริญสุขเห็นความไม่เที่ยงของโลกกระทำแปดก็เลยเปลี่ยนวิธีหาความสุขดีกว่า ไปหาความสุขอีกแบบหนึ่งแบบที่เคยได้ชิมตอนที่เป็นเด็กตอนที่ประทับอยู่ตามลําพังคนเดียวจิตเข้าสมาธิได้โดยอัตโนมัติก็เลยไปหาความสุขแบบนี้ดีกว่าแต่ความสุขแบบนี้ก็ยังเป็นความสุขชั่วคราวอยู่จะเข้าได้ต้องนั่งเฉยๆต้องนั่งนิ่งๆต้องไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรให้ดูให้ให้รับรู้จิตถึงจะเข้าได้ แต่พอออกมารับรู้เรื่องราวต่างๆความสงบนั้นก็จะหายไปความทุกข์ความวุ่นวายใจก็จะตามมาความทุกข์ที่เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายก็จะเกิดขึ้นเวลาคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บคิดถึงความตายพระองค์ก็เลย ตอนต้นก็ไปศึกษาวิธีทําจิตให้สงบชั่วคราวก่อนฝึกสมาธิกับครูบาอาจารย์ที่เก่งทางด้านนี้ก็สามารถเข้าสู่ความสงบระดับรูปปัจจานและอรูปปัจจานได้แต่เวลาออกจากสมาธิมาก็ต้องมาเจอกับเหตุการณ์ต่างๆมาคิดถึงเรื่องของร่างกายออกมาจากสมาธิก็ต้องมาเจอร่างกาย พอเจอร่างกายมันก็อดคิดไม่ได้ว่าเดี๋ยวมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายมันก็ทุกข์เพราะใจมันมีความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นใจเมื่อคิดอย่างนั้นใจก็กลัวว่าถ้าร่างกายตายใจก็จะตายไปกับร่างกายก็เลยไม่อยากให้ร่างกายแก่ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไม่อยากให้ร่างกายตาย อันนี้ไม่มีใครรู้วิธีว่าทําไงถึงทําให้ใจที่ออกจากสมาธิแล้วยังสงบยังไม่ทุกยังสบายมีความสุขเหมือนอยู่ในสมาธิไม่มีใครรู้พระพุทธเจ้าเมื่อไม่มีใครรู้เลยต้องไปค้นคว้าหาด้วยตนเองหาว่าอะไรทําให้ใจทุกขเวลาที่ไม่อยู่ในสมาธิแล้วจะทํำยังไงจะทําให้ใจไม่ทุกข์กับ สิ่งเหตุการณ์ต่างๆในที่สุดก็ส่งค้นพบอริยสัจสี่ค้นพบว่าเหตุที่ทําให้ใจทุกข์ก็คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่ความอยากได้ราบยศสารเสริญนี้ท่านไม่อยากได้แล้วเพราะท่านรู้ว่ามันเป็นทุกข์แต่ท่านยังไม่เห็นว่าร่างกายนี้ก็เป็นทุกข์เหมือนราบยศสารเสรื่อน ว่าร่างกายนี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกับลาบยศสรรเสริญสุขหลังจากพิจารณาก็เห็นว่าเป็นอย่างนั้นก็ต้องปล่อยวางร่างกายต้องพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆผู้สั่งกับผู้รับคำสั่งนี้เป็นคนละคนกันใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ใจไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไปกับร่างกายพอพิจารณาจนเห็นชัดแล้วพระองค์ก็ละความอยากได้ละความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ละความอยากอยู่นานๆได้ละความอยากมีลาบยศสารเสริญสุขได้พอละหมดแล้วทีนี้ใจเลยไม่ทุกข์กับอะไรไม่ทุกข์กับลาบยศสารเสริญสุข ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะเหตุที่ทำให้ทุกข์นี้ได้ถูกหยุดด้วยปัญญาด้วยความรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับมันแล้วเราไปกลัวมันทำไมไปทุกข์กับมันทาไมเราคือใจที่ไม่มีรูปร่างหน้าตามีแต่ความรู้สึกนึกคิดที่ไม่มีวันแก่วันเจ็บวันตาย ร่างกายแก่เจ็บตายใจก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนกับตอนที่มีมีร่างกายไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจเปลี่ยนแปลงก็ต้องที่ปล่อยวางได้ด้วยปัญญาไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเหมือนเป็นเหมือนดินน้ำนมไฟ มันจะอยู่ก็อยู่มันจะตายก็ให้มันตายไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะหายเจ็บก็ปล่อยมันหายเจ็บไปดูแลมันได้ก็ดูแลมันไปเลี้ยงมันได้ก็เลี้ยงไปรักษามันได้ก็รักษาไปถ้ากินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินถ้ารักษาไม่ได้ก็ไม่ต้องรักษาก็มีเท่านั้นราะในที่สุดมันก็จะต้องกลับคืนสู่ที่มาของมัน ที่มาของร่างกายมันก็มาจากดินน้ำนมไยนี่นี่คือปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงวิเคราะห์พิจารณาจนทำให้ทรงเห็นอริยาศาศาสัจสีเห็นว่าความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วอยากให้มันถาวรอยากให้มันจีรังอยากให้มันเป็นนิจจังสุขขังอัตตาตลอดเวลา แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลาดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากกับมันอย่าไปยุ่งกับมันมาอยู่กับความสงบดีกว่ามาหาความสุขที่เกิดจากความสงบดีกว่าเพราะความสุขที่เกิดจากความสงบนี้จะไม่มีวันจากเราไปถ้าเรารู้จักวิธีรักษาเหมันถ้ามีปัญญาแล้ว จะรักษามันให้อยู่กับเราอย่างถาวรได้แต่ถ้ามีเพียงครึ่งเดียวคือมีสติสติยังไม่สามารถที่จะรักษาความสงบให้อยู่ตลอดเวลาได้เพราะสตินี้ยังมีเวลาเผลอมีเวลาหย่อนยานได้เวลาใดที่สติเผลอเวลาที่สติหย่อนยานปล่อยให้ใจคิดปรุงแต่งใจก็จะไม่สงบแล้ว แต่ถ้ามีปัญญาถึงแม้ใจจะปรุงแต่งแต่มันจะไม่ปรุงแต่งไปในทางที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมามันจะไม่ปรุงแต่งไปทางความอยากต่างๆมันจะปรุงแต่งไปจะไปในการปล่อยวางอย่างเดียวมันจะปรุงแต่งไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลามันก็ทำให้ไม่หลงโมหะอวิชชาที่เคยครอบงมจิตใจก็ถูกธรรมะ แสงสว่างแห่งธรรมมากำจัดทําให้เห็นความจริงของสภาวะธรรมทั้งปวงเช่นโล ก, กธรรมแปดว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่ไปยินดีไม่ไปยุ่งกับมันจะไม่ทุกข์ถ้าไปยินดีไปยุ่งกับมันไปอยากกับมันแล้วจะทุกข์เนี่ยท่านก็เลยไม่มีความยินดีไม่มีความอยากกั บ, าบลาภยศสรรเสริญ ถึงแม้จะต้องเจอกันก็เจอกันแบบหยดน้ำบนใบบัวต่างฝ่ายต่างอยู่ไม่ดูดเข้าหากันเหมือนกับใจที่เป็นมีกิเลสมีอวิชชาก็จะดูดน้ำที่มาเกาะติดกับกระดาษเนี่ยจะมาดูดกับราบยศสารเสริเพอเห็นราบปั๊บอยากได้ขึ้นมาทันทีเห็นยศอยากได้ขึ้นมาทันที กออยากแล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีนะนี่แหละคือเรื่องของโลกก ร, รรมแปดที่พระพุทธเจ้านำเอามาสอนพวกเราให้เรามองให้เห็นว่ามันเป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดถ้าไม่อยากจะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปอาศัยลาบยศรเสิริญมาให้ความสุขกับเราให้หันมาหาอุเบกขาให้ความสุขกับเรา อุเบกขาที่จะเกิดขึ้นก็ต้องมีสติมีปัญญาสติก็จะให้อุเบกขาแบบชั่วคราวถ้ามีปัญญาประกอบด้วยก็จะทําให้อุเบกขาเป็นอุเบกขาที่ถาวรต่อไปที่จะให้ความสุขกับใจแบบปรมังสุขขังต่อไปนิพพานังปรมังสุขขังเกิดจากการฝึกสติและปัญญานี้เอง จึงขอให้ท่านจงนำเอาไปพิจารณาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผ่อนยัถาวาริว า, าปุราปาริปุเรนติสาคะลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปักปติอิชิตังปฏทิตามตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปเรนโตสังกปาจันโทปนะราโสยทาเมณิโชติระโสยทาสัพพิตโยวิวัชานตุ สัพพโรโควินาศสตุมาเตภวัตตวันตรายุสุขีทีขาโยโกผวะอะพิวัฒนศีลิสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลา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 ค่ะวันนี้จาก Facebook 168 YouTube 363วิทยุออนไลน์20ผู้รับฟังบนเขา82รวม633ท่านค่ ะ, ะข่าอยากจะถามคําถามกโยกมือขึ้นจะส่งใหม่ไปให้นวัสการค่ะหลวพ่ อ, อ, อโหนมีคําถามว่า คือหนูศรัท ธ, ธาหรือปื้มในคนคนหนึง่งซึ่งในสายตาหนูว่าดีแต่พอมาวันหนึ่งอ่ะหนูก็แบบพอมาเห็นแล้วสิ่งที่เห็นนั้นต่อมาแล้วไม่ดีหนูวางไม่ได้หลวงพ่อหนูรู้สึก มันไม่ใสอะค่ะทั้งๆที่ก็ฟังเทศว่าเปลี่ยนเขาไม่ได้แต่หนูก็ใจหนูก็ยังไม่ใสอะค่ะหลวงพ่อหนูจะควรทํายังไงดีอก็ส่วนที่ไม่ดีของเขาหายไปหรือเปล่าแต่เขาไม่ได้ทําให้หนูเดือดร้อนก็ก็มีอะค่ะดีก็มีเขาก็ยังส่วนที่ดีก็ยังอยู่ไม่ใช่เลยแล้วเราก็เคยศรัทธาในส่วนที่ดีไม่ใช่เลยเจ้าค่ะอส่วนที่ไม่ดีเราก็ต้องคิดว่าคนเรามันก็มีทั้งส่วนที่ดีส่วนที่ไม่ดีไม่ใช่เลย ไปเห็นขี้เขาเนี่ยเราทําให้เราก็เบื่อเขาเปล่าอ่ะเห็นขี้แฟนแล้วเบื่อก็ยังนักแฟนอยู่ไม่ใช่หรอใช่ไหมใช่อ่าเราทําำไมพอไปเห็นส่วนที่ไม่ดีของเขาทําไมทำไมเราต้องไปรู้สึกไม่ดีเขาด้วยก็คิดว่าเป็นส่วนเป็นขี้ของเขาแล้วกันค่ะคนเราก็ต้องมีทั้งส่วนที่ดีแล้วมีส่วนที่ไม่ดีเฮส่วนที่ไม่ดีเราก็อย่าไปสนใจเข้รู้ว่าเป็นธรรมดาของคนที่ยัง มีกิเลสอยู่มันก็ต้องมีส่วนที่ไม่ดีอ่าแสดงว่าหนูอยากเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานด้วยใช่ไหมเจ้าคาะว่าต้องอย่างเหมือนเราอะไรคิดเหมือนเราเราก็เห็นแต่ส่วนที่ดีเท่านั้นส่วนที่ดีเรามองไม่เห็นหรอประมาณเหมือนกันใช่ไหมอ่าเหมือนกันะงั้นก็ก็ดีไปอย่างอาจจะแบบว่ามันศรัทธาสุดเกินไปก็ไม่ถูก <laughs> ต้องสุดศรัทธาแบบพอประมาณเออา ปื้มค่ะปื้มเลยต้องรู้ว่าคนเรามีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีฮะตอนนี้เราปื้มกับส่วนที่ดีของเขาต่อไปเราเห็นส่วนที่ไม่ดีเราก็จะหายปื้มอ่าก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้เหรอเจ้าค่ ะ, ะส่งไปสิส่งให้เขาหน่อย <c oughs> ทำไมเรารับแฟนได้รับขี้ของแฟนได้ <c oughs> ยังไม่อยากขเขาอะ ใ่ไหมพอเราไม่ไปดูขี้เขาตอลอยไปตาใช่ไหม เ, เราดูแต่ส่วนที่ดีของเขาใช่ไหมใช่เ่ะก็ เ, เราอย่าไปดูขี้ของคนเราอย่าไปดูปลื้มแต่ดีไม่ปิ้มแต่ก็ยังไม่ทิ้งกันใช่ไออครับครับขอกราบน้อมน้อมนมัสการพระอาจารย์ครับพอดีมีพี่เขาฝากถามมาฮะพอดีก็คือ <c oughs> พี่ก็ปฏิบัติมาสักหลายปีแล้ว แล้วจะทํำยังไงอะให้ค้นหาจิตเดิมแท้ให้พบนะครับก็ต้องใช้สติไงไม่ใช้ความอยากหาไม่ได้ต้องใช้สติหมายถึงปฏิบัติต้องพุทโธนะต้องพุทโธไปอยู่คนเดียวแล้วก็ไปพุทโธอย่าไปยุ่งกับใครก็คือปฏิบัติตประดิษฐานสีใช่ไหมครับนั่นแหละก็ต้องเริ่มด้วยพุทโธเนี่ยแหละเริ่มต้นในสติก่อน แ, แล้วในกรณีที่เราปฏิบัติมาแล้วนะครับแล้วเจอจิตเดิมแท้เนี่ยครับอื แล้วเราจะต้องทํำยังไงต่อครับปฏิบัติยังไงต่อครับพระอาจารย์ครับเก็ต้องอยู่กับจิตเดิมแท้เสลยอย่าไปอยู่กับของปลอมอย่าไปอยู่กับสมมุติเนี่ยคราวนี้เรากลับไปเจอจิตเดิมแท้แล้วเราก็กลับมาหาสมมุติมาหาร่างกายมาหาตำมาหาส ถ, ถานภาพของสมมุติเราเราเป็นชายเป็นหญิงเป็นคนนั้นเป็นคนนี้เป็นคนรวยเป็นคนจนเป็นคนฉ ล, ลาดคนโง้อง เราจะต้องทิ้งของพวกนี้ไปหมดแล้วไปอยู่กับจิตเดิมแล้วเราต้องปฏิบัติตามมรรคนั่นแหละมรรคจะทำาไหมครับมรรคมันจะทำให้เราได้อยู่กับจิตเดิมอยู่แบบอยู่อยู่กับจิตเดิมก็อยู่แบบอุเบกขาไงให้รู้เฉยเฉยจนวันตายใช่ไหมครับปล่อยวางทุกอย่างทุกอย่างเป็นสมมุติหมดมีจิตเดิมที่เป็นของแท้ตัวเดียวอยู่กับอุเบกขาอยู่กับศักด์แต่ว่ารู้ไป ใครด่าก็เป็นสมมุติใครชมก็เป็นสมมุติอย่าไปดูกับคำด่าคำชมให้อยู่กับผู้รู้รับรู้เฉยๆรับรู้ด้วยอุเบกขาเขาดีก็เรื่องของเขาเขาชั่วก็เรื่องของเขาเรามีหน้าที่รู้ก็รู้ไปแต่เราไม่ยอมอยู่กับจิตเดิมเราไปอยู่กับสมมุติพอไปอยู่ส่วนที่ดีเห็นส่วนที่ดีเขาก็ดีใจปพื้มพอเห็นส่วนที่ไม่ดีเขาก็เสียใจเสื่อมศรัทธาขึ้นมา ต้องมีสติมีมรรคแปดคอยดึงจิตให้อยู่ในอุเบกขาตลอดเวลาแล้วก็จะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆของสมมุติเพราะสมมุติก็คือโลกธรรมแปดนี่เองอมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมเป็นธรรมดาเข้าใจครับจะน้อมรับไปปฏิบัติครับเดีไม่ยากหรอกพระพุทธเจ้าบอกเจ็ดวันเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดปีก็ได้ <laughs> ถ้าปฏิบัติจริงๆก็มหาลายเขาก็รับประกันเลยาเรียนจริงๆสี่ปีก็ได้ปริญญาตรีหกปีก็ได้ปริญญาโทได้ได้เดี๋ยวเอาเอาไมค์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพูดผ่านไมโครโฟนกันว่ามันเสียงมันจะได้เยอะแล้วอย่างนี้เราจะทราบได้อย่างไรล่ะครับว่าเราบรรลุหรือไม่บรรลุครับพระอาจารย์มันอยู่ที่จิตเราใช่ไหมครับมันไม่กินข้าวอิ่มไม่อิ่มมันรู้เองสันทิฏฐิโก อ๋อคับปล่อวางได้หรือไม่ได้มันรู้เองหลงกับสมมติเรือไม่หลงกับสมมติมันรู้เรู้ที่ตัวเราเองอใช่ไม่ต้องไปถามใค ร, ครถาม <พอ S 2> วิธีท่านหนถามวิธีบรรลุทํำยังไงพอบรรลุแล้วไม่ต้องไปถามว่าผมบรรลุหรืยอยังไม่มีใครเข้าไปถามมันนะกราบเรียนพระอาจารย์เจา้าอย่างเช่นเวลาที่เราอยู่เฉยๆแล้วเราเป็นผู้ถูกกระทํากับ คำที่ว่าชาติหนึ่งชาติใดเคยไปทําเขาก่อนแล้วเราจะได้รับกรรมตามสนองอีกชาติหนึ่งหรืออย่างไรเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าชาติเนี้ยเราเป็นผู้ทําเขาก่อนหรือเป็นผู้ที่กําลังรับกรรมที่เคยทําไว้ในชาติหนึ่งชาติใดเจ้าค่ะไม่ต้องไปรู้หละถ้าเขาทำมาแสดงว่าเราไปทําเขาแล้วกันถ้าเราไม่ทําเขาเขาไม่มาทําเราเหรอกแค่คิดแค่นี้ก็พอเพราะเราทํามาเยอะเลยไปจําได้เลยเมื่อวานนี้ทำอะไรมาบ้างเรายังลืมเลยแล้วชาติก่อนมันจะไปจําได้ไง ้ก็อย่าไปสนใจให้ถือหลักนี้เพื่อมาสอนใจให้เราปล่อยวางเท่านั้นแหละอาจยัเข้าุณค่ะกลับไปค้นหายต้องไประลึกชาติถึงจะรู้ว่าเราเคยทาอะไรเข้ามาก่อนถึงจะยอมให้เข้ามาทำเราอย่างนี้ก็ตายไปซะก่อนนะทุกไปไมนุษยกี่ชาตินะกลับนามัสการพระอาจารย์ค่ะใกล้ๆไหนยกลับนามัสการพระอาจารย์ ค, ค่ะ คือเวทนานะมันจะเกิดอยู่สามสามขั้นตอนชั่วโมงชั่วโมงที่หนึ่งจะเกิดแล้วหายชั่วโมงที่สองแล้วก็จะเป็นเหน็บชาเด็กก็หายเองแต่ชั่วโมงที่สามเนี่ยคือไม่หายเลยจะเป็นถี่มากคือไม่สามารถผ่านชั่วโมงที่สามนี้ไปได้เลยค่ะก็อยู่กับมันไปเสียอย่าไปอยากให้มันหายเหมือนฝนตกอย่าหยับอยาไปอยากให้มันหยุด มันนี้ตอก็ตอกไปกูก็พุโทโธพุโทโธไปพยายามทนแล้วค่ะแต่มันทนไม่ได้จริงๆก็ขี้เกียจมันก็ทนไม่ได้ต้องขยันพุโทโธขยันดูลมไปอดทนเอาเดี๋ยวมันก็มันหายไม่หายไม่สำคัญขอให้ใจเราอยู่กับมันได้แล้วก็หมดปัญหาที่ปฏิบัตินี้ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้เวทนาหายปฏิบัติเพื่อให้ใจเราอยู่กับมันได้จะอยู่ได้ต้องมีสติพุโทโธพุโทโธ แล้วมีไตลักษ์บอกว่าเนี่ยมันห้ามมันไม่ได้เหมือนฝนตกมันจะตกก็ตกไปเราก็อยู่อยู่ภายในความสงบแล้วเราก็จะไม่เปียกฝนออทำต่อไปฝึกไปเรื่อยๆฝึกพุทธโธพิ่มขึ้นค่ะมีคำถามจากผู้ฝากถามบนเขานะคะคำถามที่หนึ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านอยู่ด้วยวิหารธรรมสิ่งนั้นคืออะไรคะ อก็ถามท่านศีมาถามเราทำไมวิหารธรรมมันก็มีหลายระดับแล้วแต่ท่านมีธรรมระดับไหนท่านก็อยู่กับธรรมระดับนั้นไปท่านมีศีลท่านก็อยู่กับศีลไปท่านมีสมาธิท่านก็อยู่สมาธิท่านมีปัญญาท่านก็อยู่สมาธิท่านมีนิพพานท่านก็อยู่กับนิพพานไปแล้วแต่วิหารธรรมของแต่ละคนเนี่ยมีหลายระดับด้วยกันคําถามที่สอง การพิจารณาเพื่อปล่อยวางขันห้าที่ให้พิจารณาโดยกายกับจิตกลมเกินกันลงสู่ไตรลักษณ์นั้นควรทำอย่างไรคะไม่กลมเกินกันเหรอจิตกับขันห้ามันคนละตัวกันคนจิตเป็นผู้พิจารณาขันห้าพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวจิตมันเป็นอาการของจิตหรือเป็นอาการของดินน้านมไฟร่างกายเป็นดินอาการของดินน้านมไฟ เอรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันเป็นอาการของจิตที่ไม่เที่ยงเกิดดับเกิดดับแต่ไม่ได้หายการเกิดดับนี่ไม่ได้ขาว่ามันหายมันเปลี่ยนอร่างกายมันมันเปลี่ยนจากอาการสารสิบสองกลายเป็นดินน้ำหนุ่มใยไปเวทนาสัญญาสังขารมันก็เปลี่ยนเวทนาจากสุขก็เปลี่ยนเป็นทุกข์จากทุกข์ก็เปลี่ยนเป็นไม่สุขไม่ทุกข์ไป อัญญาสังขารมันก็คิดไปตามเรื่องของมันไปแต่มันไม่หายมันไม่สูญแต่มันเปลี่ยนมันอนิจจังเหมือนกันไปควบคุมบังคับมันไม่ได้เหมือนกันได้รู้ทันแล้วปล่อยวางเท่านั้นคำถามเจ้าคุณนิยาข้าพเจ้าไม่อยากทำความชั่วแต่มักถูกความโกรธดึงให้ทำอยู่เสมอควรทำอย่างไรดีเจ้าคะก็ไปหยุดความโกรธสิ เรือยระโยุดเหตุของความโกรธได้ยิ่งดีความโกรธนี้เป็นผลเหตุของความโกรธก็คือความอยากอยากให้เขาดีกับเราอยากได้นูน่นอยากได้นี่พอไม่ได้ก็โกรธถ้าไม่อยากเราจะไม่โกรธใครเห็น้หก็หยุดความอยากด้วยการใช้สติปัญญาสอนใจว่าสิ่งที่เราอยากได้เป็นทุกข์เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ด อย่ไปอยากอยู่ตามมีตามเกิดแล้วก็จะไม่ทุกข์แล้วก็จะไม่โกรธใครถ้าก็ยังโกรธอยู่ก็ใช้พุทโธระงับกันได้พอโกรธคลายก็ท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปเป็นเหมือนยาหม่องแก้ไปก่อนถ้าพอแก้ขัดได้พอกันตรงนี้เจ็บตรงนู้นก็เอายาหม่องมาทาก่อนแล้วค่อยไปหาสาเหตุของการจิบว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็ไปแก้ทีนะ่นั่นอีกทีหนึง่ง เห็นเบื้องต้นก็หัดใช้ยาหมองไปกันใช้พุโทโธไปกันเพราโกรธปุบ๊บก็ท่องพุโทโธพุโทโธอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธแล้วเดี๋ยวความโกรธก็จะหายไปพอหายแล้วก็มานั่งวิเคราะห์ดูเมื่อกี้เราโกรธเพราะอะไรอ๋ออยากให้เขาทํานู่นทํานี้ให้เราพอเขาไม่ทําเราก็เลยโกรธอยากให้เขาชมเราพอเขาดา่าเราก็โกรธคิดอย่างนี้ แล้วต่อไปก็ต้องทำใจว่าเราไปสั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาชมเราอย่างเดียวไม่ได้เขาจะดา่าเราก็เขาก็เป็นสิทธิ์ของเขาก็ปล่อยเขาด่าไปปล่อยเขาชมไปเราเป็นผู้รู้เก็รู้ไปเท่านั้นเองเมร่อต่างคนต่างทำหน้าที่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรชอบไปก้าวไก่กันใช่ไหมชอบไปก้าวก่ในชีวิตของคนอื่นอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้นะร้อเขาไม่ทาตามก็โกรธเขา คำถามที่สองจะคุณนิยานะคะกรรมที่ทำให้คนเกิดมามีรูปตารูปร่างหน้าตาไม่น่าดูไม่น่าชมเกิดจากอะไรหรือเจ้าคะเกิดจากบาปที่ทำไว้นะบาปจะทำให้ใจนี้เครียดทำให้ใจนี้ทุกข์เวลาได้ร่างกายใจที่เครียดที่ทุกข์มันจะไปกระทบกับการต่อร่างสร้างตัวของร่างกายส่วนบุญนี้จะทำให้ร่างกายสวยงามเพราะบุญนี้เป็นใจที่สงบใจที่เย็น สังเกตดูเวลาที่เราเครียดกับเวลาที่เราใจเย็นลองไปปั้นภาพดูเลยลองไปเขียนรูปดูเลยมันจะเขียนออกมายัางไงนะเวลาทุกเวลาเครียดเนี่จะวาดภาพยุ่งเหยิงไม่หมดใช่นะัหมเวลาใจสุขใจเย็นนี่วาดภาพสวยไหมสวยอนะอันนี้ก็เหมือนกันในร่างกายมันก็เป็นผลกระทบของจากใจที่เย็นหรือใจร้อนเนี่ยมันทําให้ร่างกายได้รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกัน เขาถึงบอกว่าคนทำบุญมักจะได้รูปร่างหน้าตาที่สวยงามคนที่ทำบาปมักจะได้รูปร่างหน้าตาที่เป็นอัปลักษณ์ค่ะคำถามที่สามจะคือนิยานะคะที่เขาว่าคนไม่มีลูกคือคนที่มีบุญจริงหรือไม่เจ้าคะ่ะมีลูกแล้วมันก็ต้องเลี้ยงลูกไม่ใช่ไหมเลี้ยงลูกกับไม่เลี้ยงลูกกันไหนดีกว่ากันเนะีก็เห็นชัดๆอยู่แล้วแหยังมันต้องถามเลย คำ ถ, ถามต่อไปจะคุณจินคอปสัพสิ่งทุกสัพสิ่งทุกอย่างนอกจากธาตุทั้งหกแล้วก็ไม่ได้มีเป็นเพียงความปรุงแต่งใช่ไหมครับไม่สัพสิงก็มาจากธาตุทั้งหกนี่ธาตุทั้งหกเป็นตัวสร้างสปปรพสิ่งเนี่ยโลกนี้มีดินน้ําลมไฟครับสร้างต้นไม้ภูเขาใบหญ้าอะไรลาทานําห้วยอะไรต่างๆขึ้นมาก็มาจากธาตุสี่ดินน้ําลมไฟถ้ามีตัววิญญาณก็เป็น ถ้าเป็นสัตว์ที่มีวิญญาณเช่นร่างกายมนุษย์กับร่างกายของสัตว์เดรัจฉานก็มีธาตุที่ห้ามารวมด้วยคือธาตุรู้คำถามจากคุณกำทร น, นั่งทำสมาธิหรือพุทโธ ท, ทำแล้วเคลิ้มไปรู้ตัวทีหลังอีกครั้งก็คอพับหรือหลับไปแล้วถึงแม้จะนอนพอหรือไม่ได้อดนอนควรแก้ไขอย่างไรขอรับ คนมีหลายวิธีวิธีหนึ่งก็ไปนั่งที่นาหน้ากลัวดูเลยไปนั่งที่ป่าช้าดูรับรองได้ไม่ง่วงแน่แน่แล้วกินมากเกินไปก็ทำให้ง่วงได้ก็อดอาหารดูลองอดข้าวสักสองวันสามวันดูนี่นั่งไม่มีหลับแล้ว เนอถ้าทำไม่ได้ขนาดนั้นก็เอาแค่ลุกขึ้นมาเดินก่อนก็แล้วกันถ้ารู้นั่งปั๊บแล้วจะหลับก็อย่าเพิ่งไปนั่งเดินนา น, านๆเดินเป็นชั่วโมงชั่วโมงไปก่อนนั่งฝึกเดินฝึกสติไปก่อนพอมีสติดีขึ้นเวลานั่งมันก็จะไม่ดับได้คำถามจากคุณสุธาขอพระอาจารย์ช่วยแนะนําการละกามหน่อยครับก็อย่าไปทํามันสิอย่าไปชอบมัน วิธีที่ไม่ชอบก็ต้องเห็นว่ามันไม่สวยไม่งามฮะอย่าไปดูการ์มที่มันสวยงามงามการ์มมันมีทั้งที่สวยทั้งที่ไม่สวยชอบไปดูที่มันสวยชอบไปดูเพลย์บอยมันก็ไปดูสร้างศพบ้างสิ ไปนั่นไปดูหนังสือผ่าศพบา้างไปดูเวลาเขาผ่าศพนังแบบนายแบบเวลาตายเขาก็ชันสู่ศพแบบนี้แหละไปดูเวลาเขาผ่าศพดูมันก็จะทำให้กามหดหายไปแต่ถ้าไปดูเพยบงเพยเกิลนี่เดี๋ยวมันก็มันกามมันก็ผุดโผล่ออกมาท่านแหละ คำถามจากคุณธนากรมีสีคำถามนะคะคำถามที่หนึ่งการที่จะละความผูกพันในครอบครัวลงไปได้โดยเด็ดขาดต้องทำอย่างไรครับก็พิจารณาว่าไม่ช้าก็เลยก็ต้องตายจากกันเป็นธรรมดาเรามีการพัดภาคจากการเป็นธรรมดาเพราะเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันให้คิดบ่อย คำถามที่สองการภาวนาแล้วจิตชอบไปคล้องเกี่ยวกับคนที่เราไม่ชอบควรแก้ไขอย่างไรครับเพราะเราไม่มีสติปล่อยให้มันคิดมันก็ไปคล้องเกี่ยวเราก็ต้องคอยมีสติคอยควบคุมความคิดไว้ไม่ให้มันคิดพอไม่คิดมันก็ไปคล้องเกี่ยวกับใครไม่ได้เพราะตัวที่ไปเอาใจไปเกี่ยวกับคนอื่นก็คือความคิดนี่ชอบไปคิดถึงเขาจ่ไม่คิดถึงเขามันก็ไม่เกี่ยวกับเขาแล้วไม่คล้องเกี่ยวกับเขา ฉะนั้นต้องให้คิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆคำถามที่สามพอเวลาอยู่สถานที่เงียบเงียบบริกรรมภาวนาแล้วจิตมันทำไมถึงซ่านไปกับอารมณ์ไม่หยุดเลยครับควรแก้ไขอย่างไรครับก็ไม่มีสติเนี่ยไม่มีสติต้องฝึกสติให้มากๆกก่อนที่จะมานั่ง ต้องฝึกตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยเลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธไปเลยแข่งกับความคิดอย่าให้มันคิดเนี่ยแล้วต่อไปมันก็จะควบคุมความฟุ้งซ่านได้คำถามที่สี่นะคะเวลาพระท่านบินทบาต ท, ทําไมถึงไม่ให้พรครับไม่ใช่เวลาทําไมเวลาพระบินทบาททำไมไม่ให้ท่านฉันด้วยมันไม่ใช่เวลาเมราะ เวลาให้พรต้องไปที่วัดไปมันเป็นเวลามันมีกาลเทศะเข้าใจไหมไม่ใช่นึกอยากจะทำอะไรก็ทำตามความอยากเดี๋ยวพระบินบาตไ ป, ไปกินไปเป็นไง <laughs> เขี้ยวไปกินไปรับบาตรไป <laughs> คำถามจากคุณยุคนคะ่ะคุณพ่อนอนป่วยให้อาหารทางสายยาง ความดันตกปอดติดเชื้อหากทางการแพทย์รักษาเต็มที่แล้วแต่ร่างกายเสื่อมโทมไม่ไหวกระผมจะตัดสินใจอย่างไรระหว่างให้ออกซิเจนหรือให้ดับจิตไปทำธรรมชาติขอรับก็ถามเจ้าของเขาจะถามตัวคนไข้ลยว่าจะว่าไงชีวิตของเขาถ้าเขาตอบไม่ได้ก็ถามหมอดูว่าควรจะทํำยังไงถ้ามหมอบอกว่า รักษาไปก็เท่ากับไม่ได้รักษาก็ไม่ต้องรักษาแต่ถ้าเขาบอกรักษาเรายังมีโอกาสที่จะหายได้ก็รักษาไปอันนี้ก็ต้องฟังความเห็นของผู้ชํานาญการคําถามจากคุณซีนการที่เรานั่งสมาธิแล้วจิตชอบคิดแล้วควร หยุดความคิดหรือตามไปดูเจ้าคะเมื่อเกิดขึ้นลูกพยายามกลับมาที่พุทธโธ ท, ทำถูกไหมเจ้าคะก็นั่งสมาธิเพื่อหยุดคิดไปคิดตามมันทำไมอย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปถ้าไปคิดตามมันมันก็ยิ่งคิดใหญ่คุยกันนะล่อยมันคุยกันเดียวถ้าเราไม่ตอบเดี๋ยมันก็หยุดมาคุยกับเราเองมีใครอยากจะถามอีกไหม มีช่วงนี้ช่วงเดียวนะเดี๋ยวพอปิดประชุมแล้วก็จบนะไม่มีนะมีเข้ามาข อ, อยากนิดหนึงนเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข อ, อ, ม, อ, อมีคนฟังเป็นร้อยที่บ้านเขาต้องมีเสียงใหม่ถึงได้ยินนะครับขาบนมัสการอีกรอบหนึ่งครับเคยอ่านหนังสือของเซน เกี่ยวกับอธิเส้นนะฮะเรื่องการบรรลุเฉียบพันโดยไม่ปฏิบัติมันไม่มีหรอไม่มีกาเปราไปแปลว่าอย่างนั้นเองพเห็นว่าพบจิตเดิมแท้แล้วบรรลุเลยพวกนี้เขาเป็นพวกมีปฏิบัติมาก่อนแล้วเมื่ออยู่ขั้นปัญญาแล้วคไม่ใช่มันอยู่ดีๆจะไปขั้นปัญญา่ค เหมือนคนที่ต้องจบจะเข้ามาอะไรต้องจบมหกก่อนต้องเรียนต่อหนึ่งมันต้องไล่ามาก่อนเพียงแต่เราไม่ทราบประวัติของผู้ปฏิบัติเท่านั้นเองว่าเขาอยู่ในระดับนั้นแล้วจิตเราของแต่ละคนมันอยู่หลายระดับนะระดับปถมก็มีระดับมัธยมก็มี ร, ระดับอุดมศึกษาก็มีครับครับงั้นผู้ที่อยู่ปถมก็ต้องเรียนปถมต่อไปก่อนพ่อยู่มัธยมก็เรียนไปก่อนเนีมัน แต่ละชาติภแต่ละชาติเราเกิดมาเราพัฒนาจิตใจไม่เท่ากันเนี่ยพวกพระปัญจวคีเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงทำพัพระกัมมรนตุเฉียบพลันเลยเห็นไหมนั่นแหะเพราะพวกเขาอยู่ในระดับปัญญาแล้วเขามีศีลแล้วมีสมาธิแล้วเขาทําทานจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วพวกเรายังมีทรัพย์สมบัติเต็มที่เราอยากจะมาฟังทำให้มันรู้รนเฉียบพลันฟังไปพันชาติมันก็ไม่มีวันบรรลุได้อนะ